วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส2บสองพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง6ันห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบรยสัตว์ผู้มีจิตฝ่ายธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาบารมีให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นไปตามลำดับเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปธรรมะวันนี้ ที่เราจะมาฟังกันก็คือเรื่องของความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระปัชชิมโมวาทคือคำสั่งคำสอนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วมีดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดให้เรารีบมาทำภ <c> า <oughs> รกิจที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับพวกเราเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วหลังจากที่เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จะได้ไปช่วย ไปสอนผู้อื่นที่ยังไม่ได้หลุดพ้นให้ได้หลุดพ้นกันตามลำดับต่อไปด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความไม่ความไม่ความขี้เกียจาะว่าได้คือความความประมาทคือความประมาท น, นใจยังไม่เห็นภัยที่ใกล้ตัวเข้ามา ยังทรงสอนให้ลำลึกถึงภัยคือกะความตายอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้เราไม่ประมาท<ม>ก็คือให้เราลึกถึงความตายกันอยู่เรื่อยๆ<ม>พระพุทธเจ้าทรงถามพระ อ, อนนท์ผู้เป็นพระ อ, อุปทาคของพระพุทธเจ้าว่า อ, อนนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายวันละกี่ข้า้งกัน พระนรนท์ก็ตอบว่าประมาณสี่ห้าครั้ง<ม>เช้ากลางวันเยน็น<ม>ก่อนนอนเป็นต้น<ม>พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่<ม>วิธีที่จะทำให้เธอไม่ประมาท<ม>ก็คือเธอต้องเล่เล็กถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก<ม>เวลาเธอหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออก<ม>ก็ตาย เวลาออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าให้เราคิดถึงว่าถ้าเราไม่หายใจออกเราก็ตายถ้าเราหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้าเราก็ตายความตายอยู่ที่ปลายจมูก ข, ของเรานี่เองอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่เราก็ตายเมื่อนั้น ให้เราคิดอยู่บ่อยๆเราจะได้ไม่ลืมลืมความตายแล้วเราจะได้เห็นว่าชีวิตของเรานี้เป็นของที่ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรับประกันได้มีคนตายอยู่ทุกวันทุกวัยบางคนเกิดมาก็ตายแล้วออกจากท้องแม่มาก็ตายบางคนอยู่ได้แค่อิติษนึงก็ตาย บางคนก็อยู่ได้เดือนหนึ่งบางคนก็อยู่ได้ปีหนึ่งทุกคนนี้มีโอกาสที่จะได้ตายทุกเวลานาทีไม่มีใครคิดว่าตัเองจะตายวันนี้ลองไปถามคนที่ตายวันนี้ดูว่าได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนหรือเปล่าว่าวันนี้จะตายไม่มีใครคิดกันคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปนานๆ แต่มันความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทให้เราคิดว่าเราอาจจะตายในวันนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราตายวันนี้โอกาสที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจก็จะหมดไป ัง น, นั้นในขณะ น, นี้ในขณะที่เรายังมีเวลาอยู่มีชีวิตอยู่อย่าเสียเวลาไปกับกิจกรรมต่างๆที่ไม่จําเป็นที่ไม่สำคัญกิจกรรมที่สำคัญก็คือการเลี้ยงดูร่างกายนี้ด้วยปัจจัยสี่อันนี้เราต้องเราต้องทำกันทุกคนเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุข อันนี้เป็นกิจกรรมสําคัญที่เราต้องทำํทำทําให้พร้อมให้สมบูรณ์แล้วถ้าเราพร้อมสมบูรณ์เรื่องปัจจัยสี่แล้วเราก็เอาเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปอย่าไปเสียเวลากับกิจอย่างอื่นเช่น การไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้พไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูไปฟังมหาสพบันเทิงอะไรต่างๆไปกินไปดื่มไปหาความสุขจากการกินการดื่มโดยที่ยังไม่มีโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมเหล่านี้ให้ความสุขชั่วคราว ดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรไม่สามารถให้ความสุขได้อย่างถาวรเท่ากับกิจกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ชาวพุทธเรามาประกอบมากระทำกันนั่นคือการเจริญมรรคมรรคนี้ก็มีทานศีลภาวนานี่เองเรียกว่ามรรค มักก็คือทางสู่การดับทุกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปอย่าไปหลงระเริงกับเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของชั่วกราวเราไม่สามารถนำมามาใช้ดับความทุกข์ของใจเราได้ นอกจากไม่มาดับความทุกข์แล้วยังกลับเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้ดีอยู่ในใจไปเรื่อยๆนานๆทุกข์ไม่ใช่เฉพาะทุกข์แต่ภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาทุกข์ใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากปัญหาความอยากปัญหาความอยากนี้ เป็นตัวที่ดึงให้จิตใจของพวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆตายแล้วเราก็ไปสู่สวรรค์หรือไปสู่บายหลังจากนั้นพอพ้นจากสวรรค์พ้นจากกบายเราก็กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใหม่ หาไปจนถึงวันตายตายแล้วก็ไปเป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไปเกิดใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราให้เวลาใช้เวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราไม่พึ่งกระทำกัน แล้วคนที่จะมาทำกิจกรรมที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติทานคือการทำบุญทำทานรักษาสี่งแล้วก็จเจริญจิตตะภาวนาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดเพื่อจะได้ ตัความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปนี่แหละคือภารกิจที่พระเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหลังจากที่พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ทร อ, องก็เอาเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนามาเผยแพร่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันไปตามลำดับเป็นจำนวนมากในวาระสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไป พระองก็ทรงตัดเตือนพระภิกษุที่เฝ้าอยู่ว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง ม, มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเื่อต้นก็ให้ยังประโยชน์ของตนก่อน การที่เราจะไม่ประมาทก็คือเราต้องหมัน่นระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ<ม>พอเราลืมถึงลืมนึกถึงความตายเราก็คิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ<ม>แล้วเราก็เลยจะเห็นว่าตอนนี้ยังมีเวลาเยอะขอเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขก่อน<ม>ไว้รอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมาศึกษามาปฏิบัติธรรมถ้าคิดอย่างนี้มันจะเป็นความคิดที่ประมาท เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่และเมื่อถึงเวลาแก่ก็จะไม่มีกำลังวังชาพอที่จะมาศึกษาที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพน้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ควรจะทำในขณะที่เรามีกำลังวังชา ม, ม, มีสติปัญญาที่แหลมคม อย่ามารอให้เวลาแก่แล้วค่อยทำเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคมากจะทำไม่สำเร็จ <c oughs> วิธีที่จะทาให้เราไม่ประมาทก็คือมาละเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆออเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องรีบมาทำภารกิจที่สำคัญนี้คือมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิ บัจจิตะภาวนาทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นใจรับเมื่อเห็นอริยาาสัจสีก็จะเห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้มีมาเวียนว่ายตายเกิด<ม>แล้วก็จะเห็นว่าอะไรที่จะทําให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือการเห็นใจรับเห็น<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราว เป็นของที่จะทำให้ผู้ที่ไปเกี่ยวข้องได้ต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขกับเราเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร ไ, ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการหมดไปได้<ม>เวลามันหมดไปมันเปลี่ยนไป<ม>ความสุขที่ได้ก็จะหายไป สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจให้ให้เตือนตอนเองให้ถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำตามความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ หรือเรากำลังทำฝืนความอยากหยุดความอยากด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถามถามต้องหมั่นถามตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำหรือเรากำลังทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราไม่ทำกัน ถ้าเราทาในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไม่ให้ทำก็เป็นการไปสร้างพบสร้างชาติสร้างความทุกข์ให้มีต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> คือทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็จะตัดความอยากลดลดพพลดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไป นี่คือสิ่งที่เราควรจะรำลึกถึงกันขอให้เราคิดว่าขณะนี้เราเป็นเหมือนนักโทษนักโทษติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายคุกตารางที่เราอยู่กันนี้มีมีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันด้านหนึ่งก็คือการเกิดด้านที่สองก็คือ การแก่ความแก่การที่สามก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยด้านที่สี่ก็คือความตายเราติดอยู่ในกำแพงนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายหลังจากตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายแสนครหลายแสนพบหลายแสนชาติแนละ้วจานวนพบชาติที่เรา ได้เกิดแก่เจ็บตายมานี้มีมากจนกระทั่งไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขแต่สามารถประมาณได้ว่าได้จากน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติทุกครั้งที่เรามาเกิดนี้เราจะต้องเจอกับความทุกข์ที่จะทำให้เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหลั่งน้ำตากันถ้าเราน้ำตาที่เราหลั่งนี้มารวบรวมกัน ของแต่ละพบแต่ละชาติแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน้ําตาที่เราหลั่งมานี้มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสกคิดดูก็แล้วกันว่าน้ําในมหาสมุทรนี้มีมากมายขนาดไหนแล้วเราจะต้องหลั่งน้ําตาอีกมากน้อยเพียงไรถึงจะได้น้ํามากกว่าน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ของการ ของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราปริมาณของภพชาติที่เราต้องมาทุกมาร้องห่มร้องไห้กันมันมีมากมายก่ายกองและมันจะมีต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่มีใครมาสอนเราสอนวิธีให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันการที่เราจะทำได้ด้วยตัวเองนี้เป็นของที่เป็นไปไม่ได้ เพามันเป็นเรื่องสุดวิสัยของปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราที่จะทำกันได้ยกเว้นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถศึกษาปฏิบัติและพบทางสู่การหลุดพ้นจากการเมียนไายตายเกิดได้ก็คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เท่านั้นที่จะสามารถค้นค้าค้นคว้าหา วิธีของการหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้อย่างไร<ม>แล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้มานำทางมาสอนมาบอกนี้<ม>ผู้อื่นที่ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะไม่มีวันที่จะสามารถหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลย ต้รให้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้เท่านั้น mm hmm. เราถึงจะสามารถรู้วิธีของการหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ mm hmm. พวกเราก็จงถือว่าพวกเรา mm hmm. ในภพนี้ชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่วิเศษที่สุด เพราะว่าเป็นชาติที่เราได้มาพบกับพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เราก็มีโอกาสได้พบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสั่งคาสอนและพระอริยสงสาวคกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด รูทางออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้เราถือว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็ถือว่าเหมือนกับได้ถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง<ม>โอกาสที่เราจะถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการนี้เราก็รู้ว่ามันยากแสนยากขนาดไหน<ม><ม>แล้วโอกาสที่เราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา ได้มาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกเองก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าก็ดี mm hmm. ก็เป็นของยากมากกว่าหลายหลายล้านเท่ากว่าการที่จะได้ถูกอัตรลี่รางวัลที่หนึ่ง mm hmm. ี่ตอนนี้เราได้ถูกอัตตลี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแล้ว mm hmm. คือได้ มีโอกาสที่จะไปรับรางวัลคือรางวัลแห่งพระนิพพานวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์ <c oughs> เมื่อเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราจะทำอย่างไรกัน <c oughs> ถ้าเราถูกลอตเตอรี่เราก็ต้องเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวัลกันถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นก็เป็นเหมือนกระดาษต่อเปล่าใบาหนึ่ง <c oughs> ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใด เราต้องไปแปลงกระดาษใบนั้นวอตเตอรี่ใบนั้นให้เป็นทรัพสมบัติเงินเข้าของเงินทองขึ้นมาด้วยการไปรับรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบบ่งหรือตัวแทนที่เขาจะจ่ายรางวัลให้กับเราฉันใดก็ฉันนั้นเราได้มาเจอเราได้ถูกตต ร, รางวัลที่หนึ่งแล้วเราได้มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราได้โอกาสที่จะไปถึงพระนิพพานกันได้แล้ว<ม>สิ่งที่เราต้องทาก็คือเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาวิธีการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือเราก็ต้องไปศึกษาพราะธรรมคำสั่งค<ม>ำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ศึกษาแล้วเราก็จะได้น้อมเอา คำสอนที่เราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นนี้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้แล้วเราก็จะไปปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกก็ได้ดังนั้นเราต้องศึกษาก่อนศึกษาวิธีการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ว่าจะต้อง ปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเราศึกษาจากพระพุทธเจ้าผู้จากพระไตรปิฎกก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวูของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านก็จะสอนให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนานี่ให้เราทําบุญทําทานสละทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองอย่าใช้เงินทองเป็นเครื่องดับทุกข์เพราะเงินทองนี้ดับความทุกข์อย่างถาวรไม่ได้ ดับได้ก็เป็นแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จะกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปยึดไปติดต้องไปอาศัยขาดเงินขาดทองไม่ได้พอเราเอาเงินทองไปใช้เพื่อดับความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็ดับไปเดียวเดียวเดี๋ยวความทุกข์ใจก็กลับคืนขึ้นมาใหม่เราก็ต้องเอาเงินทองไปใช้เพื่อดับมันอีก ดับได้เดี๋ยวเดียวมันก็กลับมาอีกมันก็จะทำให้เงินทองที่เราเอาไปใช้ดับนี้ต่อไปก็หมดหมดแล้วเราก็ต้องไปหาเงินทองกันมามหาเงินทองเพื่อจะมาดับความทุกข์แบบชั่วคราวต่อไปวิธีการดับความทุกข์ด้วยเงินทองก็คือเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันไปไปดูภาพยนตร์ไปดู ไปดูคอนเสิร์ตหรือไปดูอะไรต่างๆที่ทําให้เราลืมความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ไปชั่วคราวแต่พอเรากลับมาจากการไปเที่ยวจากการไปดูไปชมอะไรต่างๆพอกลับมาเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอความทุกข์อันเดิมอีกพอเจอความทุกข์อันเดิมเราก็หนีมันอีกเราก็เอาเงินไปเที่ยวอีกแล้วเราก็ต้องไปคอยหาเงินมาเติมอยู่เรื่อยๆ ทำอย่างนี้ไปจนถึงถึงเวลาแก่เท่ามันก็ยังไม่ได้ดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจความทุกข์ที่เคยมีอยู่เท่าไหร่มันก็ยังมีอยู่เท่านั้นและนอกจากไม่มีอยู่เท่านั้นแล้วมันยังจะเพิ่มมีความทุกข์เพิ่มขึ้นอกีกเพิ่มจากการที่เราต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาดับความทุกข์ทางใจวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่เราควรจะใช้ในการดับความทุกข์ เงินทองนี้มีไว้โดยหลักก็มีไว้เพื่อดับความทุกข์ทางร่างกายเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขให้ร่างกายมีปัจจัยสี่มี <c oughs> อาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคเวลาที่เจ็บไข้ได้ปด่วยเท่านั้นนี่คือหน้าที่ของเงินทอง ถ้าเรามีมากไปกว่านั้นอย่าเอาไปใช้ดับความทุกข์ด้วยการไปซื้อของฟุ่มเฟือยด้วยการไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่ที่ดับได้ยาวนานาน่าทาววก็เอาไปทําบุญทําทานแทนแต่การทําบุญทําทานนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้หมดร้อยเเซ็มันก็ช่วยดับความทุกข์ เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปไปติดกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเช่นเวลาเราอยากจะไปหาความสุขก็ดับความทุกข์ด้วยการไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนถ้าเราเอาเงินไปทําบุญทำทานทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่อไปความอยากที่จะ ไปเที่ยวอยากจะไป <c oughs> ซื้อขอ ง, งฟุ่มฟืยมันก็จะหมดไปการไปทำบุญทาทานมันก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความไม่มีความหิวโหยกับการที่จะไปหาความสุขด้วยการใช้เงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มอะไรต่างๆแล้วจะทำให้ใจเหล่านี้สามารถอยู่บ้านเฉยๆได้ ถ้าเราทำบุญแล้วใจเราจะอิ่มจะไม่หิวกับการที่จะต้องไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกหบุดหงิดมันก็จะทำให้เรามีเวลา <c oughs> ที่เราจะได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนได้มากขึ้นนั่นเอง เเราต้องพยายามงดวิธีการดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจด้วยการใช้เงินทองพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พาเราไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์อย่างท้าวรแล้วก็ไม่ได้เป็นการกําจัดความอยากให้น้อยลงไปแต่กลับเพิ่มความอยากตัวที่พาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้มากขึ้น วิธีที่จะลดความอยากลงก็คือการเอาเงินไปทำบุญทาทานแทนทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานการทำบุญทาทานนี้เราก็สามารถทำได้กับบุคคลต่างๆไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับพระเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญได้ความสุขได้ความสงบเลย ทำกับใครก็ได้โดยปกติพระวจนะก็ทรงสอนให้เราทำบุญด้วยความกตัญญูกตเวทีก่อนให้เราตอบแทนบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณของเรากับกับเราเช่นผู้เพ่นบิดามารดาปาู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณกับเราถ้าท่านอยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือ เราก็ควรที่จะดูแลท่านให้ดีให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายอันนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญทําทานที่จะทําให้ตัดความอยากต่างๆได้เพราะเวลาเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวเราก็เงินมาทําบุญนั่นเองทําบุญกับผู้มีพระคุณก่อนทําบุญกับพระในบ้านเราก่อนพระพระหลา์นในบ้านเราก็คือพ่อแม่ของเรา อย่าไปให้พ่อแม่ของเราอยู่แบบ อ, อดอยากขาดแคลนถ้าเราอยู่ดีกินดีพ่อแม่ก็ต้องอยู่ดีกินดีเท่ากับเราหรือดีกว่าเราเนืงถึงเรียกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีแลังการที่เราจะดูคนดีแล้วไม่ดีก็ให้ดูความกตัญญูนี่แหละถ้าเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูนี่ยากยากที่จะเป็นคนดีได้ เพราะว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณยังไม่คิดถึงแล้วสาหรับผู้ผู้ที่ไม่มีพระคุณเขาจะไปเหลียวแลได้ได้อย่างไรคนที่มีความกาตัญญูนี่ยถือว่าเป็นคนดีทำความดีกับบุคคลที่มีพระคุณก่อนเมื่อทำความดีกับพ่าในบ้านแล้วเราก็ไปตอบแทนบุญคุณกับพระพุทธศาสนา ที่เป็นล่มโพล่มใสเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเราก็ต้องการที่จะสนับสนุนให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ไปนานๆการที่พระพุทธศาสนาจะ อ, อยู่ไปนานๆก็ต้องมีภาะพระสงฆ์องค์เจ้ามาศึกษามาบวชมาปฏิบัติธรรมมาบรรลุธรรมมาเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าและการที่พระ ถ้าสงฆ์องค์เจ้านี้จะสามารถทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสะดวกอย่างสบายก็ต้องอาศัยการทำบุญทำทานของศรัทธาญาติโยมชาวพุทธนี้ด้วยการถวายปัจจัยสี่เช่นอาหารเบญทบานจีวรเครื่องนุ่งหม่มกุฏิที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นการทำบุญกับพระพุทธศาสนา ทดแทนพระคุณของพระพุทธศาสนาที่ให้ความรู้ให้แสงสว่างแก่ชีวิตของพวกเราให้นำพาชีวิตของพวกเราให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้พวกเรานี้จะไม่มีจะไม่รู้เลยว่าวิธีการหลุดออกจากกองทุกข์นี้ทำอย่างไรจะไม่รู้เสียด้วยซ้าไปว่าเรากาลังตกอยู่ในกองทุกข์กัน จะไม่รู้จะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันเรากำลังเป็นนักโทษของสังสารวัฏของตายพพเนี่ยโลกเราเนี่ยติดอยู่ในตายพบเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏบนโลกแล้วก็มาให้ความรู้ความสว่าง แก่จิตใจมืดบอดของพวกเราให้เรารู้ว่าเรากําลังติดอยู่ในกองทุกข์และรู้วิธีที่จะตัดดับความทุกข์ที่จะพาให้จิตใจของเรานี้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้ต้องมีพระพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราที่จะต้องคอยทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปให้อยู่อย่างยั่งยืน ถาวรเพื่อจะทําหน้าที่ให้ความรู้ให้แสงสว่างแก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปวิธีที่ตำหนูบำรุงพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนให้มีการให้นักบวชได้มีการศึกษาได้มีสถานที่ที่สงบไว้สําหรับการปฏิบัติธรรมจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็จะได้ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไป เอาทำมันเลื่อันประเสริฐเอาวิมุตติเอาพระนิพพานที่ท่านได้บรรลุถึงนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอน mm hmm. เพื่อผู้ที่ไม่รู้จะได้เรียนรู้และจะนำเอาไปปฏิบัติและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุเช่นเดียวกัน mm hmm. นี้คือการทำบุญเบื้องต้นเราควรจะคิดถึงผู้มีพระคุณก่อนบ mm hmm. ุคคลเบื้องต้นก็คือบิดามารดาผูญาตายายครูบาอาจารย์ ที่เราไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ <c oughs> คิดถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาด้วยการมาทานุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระสององค์เจ้าที่มาบวชในในในพระพุทธศาสนาให้มีปัจจัยสี่ที่พร้อมบริบูรณ์ให้มีสถานที่ที่สงบสงัดที่เหมาะแก่การเจริญสัมพธรรม คือการจเจริญจิตตภาวนาเพื<ม>่อที่ท่านจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลาดับต่อไปแล้วท่านก็จะได้มาทำหน้าที่เผยแพ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปเมื่อเราได้ทำสองส่วนนี้แล้วถ้าเรายังมีมีมีเหลืออีกเราอยากจะทำกับผู้อื่นก็ได้เห็นใครเดือดร้อนเราอยากจะสงเคราะห์เขาก็สงเคราะห์เขาได้ได้บุญเหมือนกันได้ตัดความอยาก แทนที่จเอาเงินไปใช้กับความอยากต่างๆก็เอาเงินนี้มาสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็สงเคราะห์ได้ปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตวัวควายเป็นต้นหรือเลี้ยงสุนัขจรจัดอะไรไ ม, ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเขาทุกยากเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยกันไป อันนี้ถือว่าเป็นการทําบุญทาทานได้บุญเหมือนกันในาันนีสองของการทาบุญก็คือหยุดความอยากที่จะเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเอาเงินไปใช้ในการส่งเสริมความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปอยู่เรื่อยหยุดหยุ ด, ยดลดลดภพลดชาติ ด, ด้วยการทําบุญทาทานถ้าเราลดความอยากลง ลดความอยากไปเที่ยวลดความอยากไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆลดให้มันน้อยลงไปแล้วความอยากที่จะพายเรากลับมาเกิดมันก็จะน้อยลงไปแล้วผลบุญที่ได้จากการทำทานก็จะยกกระดับจิตใจของพวกเราจากมนุษย์ให้ได้ไปเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเทวดาก่อนถ้าเราเกิดยังไปไม่ถึงพระนิพพานเกิดเราต้องตายไปก่อน เราก็อย่างน้อยก็จะได้ไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นเทพจากอ น, นิสงส์ที่เราได้ทําบุญทําทานแต่เราต้องรักษาศีลห้าด้วยถึงจะมันถึงอยจะแน่นอนกว่าถ้าเรายังไม่รักษาศีลห้าเราทําทานไปสลับกับการทําบาปอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนจะมีกําลังมากกว่ากันถ้าเราทําบาปมากกว่าทำบุญ เวลาตายไปเรายังไปสวรรค์ไม่ได้เพราะบาปถ้ามันมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงดวงวิญญาณของพวกเราให้ไปสู่อบายให้ไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปนรกหรือให้ไปเกิดเป็นสัตว์ในราฉาก่อนดังนั้นนอกจากการทำบุญทำทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันด้วยอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปด อย่าดื่มของมึนเมาต่างๆเพราะจะทำให้เราขาดสติเมื่อเราไม่มีสติแล้วจิตใจเราก็จะไม่มีรายยับยั้งเวลาที่จะคิดที่จะทำบาป ก, ก็จะทาได้ทันทีเลยแต่ถ้าเรามีสติไม่ดื่มสวลายาเมาไม่มึนเมาเวลาที่เราจะคิดทำบาปนี้เราจะรู้สึกตัวรู้ว่าเรากำลังทาจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ยับยั้งหยุดมันได้ นี่คือการปฏิบัติเพื่อที่ให้เราได้กําจัดความอยากลดความอยากลดการเวียนว่ายตายเกิดและในขณะเดียวกันก็ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับเพราะการที่เราจะต้องต้องการที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัฏนี้ เอาใจเอาจากตายภพนี้เราก็ต้องก้าวขึ้นจากภพที่ต่ำไปสู่ภพที่สูงจากภพมนุษย์เราก็ต้องไปสู่ภพของเทวดาจากภพของเทวดาเราก็ไปสู่ภพของพรหมจากภพของพรหมเราก็ไปสู่ภพของพระอริยะเจ้าจนถึงขั้นสูงสุดของพระอริยะเจ้าก็คือพระนิพพานพอเราถึงขั้นสูงสุดจิตของเราก็จะหลุดออกจากตายภพอย่างสมบูรณ์ การจะหลุดออกจะการที่จะย ก, กระดับจิตใจให้สูงขึ้นในแต่ละดับนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมแต่ละขั้น<ม>ขั้นเทวดานี้เราก็ต้องทําทานทำบุญทําทานรักษาศีล<ม>เป็นการลดความอยากลดภพลดชาติให้น้อยลงแล้วก็เป็นยกเป็นการย ก, กระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปพร้อมๆกัน<ม>จิตใจเราก็จะไปเป็นเทวดา แล้วจากเทวดาถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ชั้นพรหมเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเพราะว่าศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอที่จะยกหรือสนับสนุนการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาสมถะภาวนาคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธินี้ต้องมีศีลแปเป็นู้ที่สนับสนุนถ้าศีลห้า น, นี้ยัง ยังมีกําลังไม่มากพอจะทําให้การปฏิบัติจิตภาวนานี้เป็นไปได้ยากได้ผลยากกว่าการที่เราจะมาถือศีลแปดกันดังนั้นถ้าเราอยากจะยกระดับจากระดับเทพให้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมแล้วก็ลดความอยากของการฮะเสดความสุขของเทพไปในตัวด้วยเพราะว่าเทพนี่ยังยังมีความอยากที่จะเสด ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะอยู่ แต่ถ้าเราจะขึ้นไปสวรรค์ชั้ น, นผอมนี้เราต้องหยุดความอยากที่จะเสีงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพาเราต้องไม่หาความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายสินข้อสของศีลห้าก็จากกาเมก็จะมาเป็นอ布拉รรมจาริยาก็คือเราจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนเลยศินห้ายังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับแฟนได้ให้หาความสุขกับจากการร่วมหลับนอนกันได้อยู่ แต่ถ้าจะต้องการไปสู่พรห ม, มโลกขึ้นไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้เราต้องเลิกเสพความสุขของเทพก็คือการเสพความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผดท า, านเนี้วโดยการถือศีลแปดศีลห้าก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนแล้วก็เพิ่มศีลข้อ6ให้ไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากต่าง ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเป็นเหมือนรับประทานยารับประทานอาหารเพื่อเยียวยาความทุกข์คือความหิวของร่างกายร่างกายต้องกินอาหารอย่างน้อยก็วันละวันละมื้อหรือสองมือ้อแต่ไม่ควรที่จะกินหลังเกินเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้าเกินกินเกินเที่ยงวันก็ถือว่ากินตามความอยากไม่ได้กินตาม ตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายถ้ากินตามความต้องการของร่างกายกินแค่มือ้อสังมื้อก็พอสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปปฏิบัติจิตภาวนาเพราะการรับประทานอาหารนี้ถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาได้เวลาไปนั่งสมาธินี้ก็จะนั่งสับประงกง่วงนอนไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะปฏิบัติอยากจะนอน แต่ถ้าเรากินพอประมาณพอไม่ให้อิ่มมากจนเกินไปกินพอดับความหิวเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้มันก็จะไม่เป็นอุปสรรคเวลานั่งสมาธินี้มันก็จะไม่ง่วงไม่ง่วงเหนอหานอนสามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้อย่างง่ายดายแล้วก็ให้รักษาศีลข้อเจคือให้เราเละเว้นจากการไปหาความสุข จากมหารสบบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงง้องลำทำเพลงไปหาความสุขจากรูปเสียงกิลิลนรสผลพะจากกา ร, ส, รสวยความงามของร่างกายร่างกายนี้ไม่ต้องไปใส่เสื้อผ้ า, าพรที่วิจิตพิสดารไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไม่ต้องทำเท้าทำผมอะไรให้มันเสียเวลามันเป็นความสุขปรอเป็นความสุขปลาเดียวปลาดาวเป็นความสุขของเทวดาของมนุษย์ ของผู้ที่ยังเสกกรรมอยู่ถ้าต้องการที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องละการเสกกรรมต้องไม่เลิกหาความสุขจากกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้เอาเวลาในการหาความสุขจากกิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการทำใจให้สงบให้ใจเข้าสมาธิให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆถ้าเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้จิตก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ สวรรค์ชั้นผอมก็คือมีแบ่งเป็นสองชั้นชั้นรูปประพรมกับอรูปประพรมผู้ที่ได้รูปประชานก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมผู้ที่ได้อารูปประชานก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นอารูปอรูปประรม mm hmm. ต้องเกิดจากการมีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิ mm hmm. ถ้าไม่มีเวลานั่งสมาธิ mm hmm. ก็นั่งไม่สงบใจฟุ้งซ่าน mm hmm. นั่งได้เดี๋ยวเดียวก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้ mm hmm. ถ้าอยากจะนั่งให้ได้นานๆนี้ต้องมันฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดความคิดต่างๆของจิตได้ถ้าไม่มีสติแล้วจิตก็จะคิดเลื่อยเปื่อยไปเราให้นั่งนานสักเท่าไหร่จิตก็จะไม่มีวันสงบนิ่งได้ดัง น, นั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งนี้จึงต้องฝึกสติต้องพยายามหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งโดยการจเจริญสติ วิธีเจริญสติก็คือต้องให้มีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆกรรมฐานที่เราใช้กันบ่อยๆที่เป็นที่นิยมก็คือพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นครับบริกรรมคําว่าพุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าเราอยากจะสวดพุทธคุณก็ได้สวดบทอิติปิโสไปสวดไปเรื่อยๆสวดไปบ่อยๆ สวดไปนานๆสวดไปเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองถ้าเราสวดได้ต่อไปความคิดของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆหรืถ้าเราไม่อยากจะสวดไม่อยากจะใช้คําบริกรรมก็มีกรรมฐานอีกอย่างที่เรียกว่ากายกตาสติคือให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกกิริยาบทให้ใจหรือปลกใจไว้ติดอยู่กับร่างกายร่างกายทําอะไรใจก็ทําไปกับร่างกาย ร่างกายเดินใจก็เดินไปกับร่างกายร่างกายรับประทานอาหารใจก็รับประทานอาหารไปกับร่างกายดื่มใจก็ดื่มร่างกายอาบน้ำอาบท่าใจก็อาบน้ำอาบท่าไปกับร่างกายคือไม่ให้ใจแยกออกไปจากกายไม่ให้หนีหนีหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นปกติถ้าเราไม่ได้เจริญสตินี้เรามักจะทาอย่างนี้ ร่างกายเราอาบน้่ใจเราอาจจะไปคิดถึงการงานคิดถึงคนนั่นคิดถึงคน น, นี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าปล่อยให้ร่างกายทําอย่างนึงใจไปทําอีกอย่างหนึ่งนี่เวลาจะมานั่งสมาธินี่จะสงบได้ยากจะไม่มีวันสงบเพราะเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาแล้วให้มันว่าพุโทโธหรือให้มันดูลมหายใจ มันก็จะไม่ได้ดูลมหายใจมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิทาใจให้นิ่งได้ก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องฝึกสติให้มากๆก่อนถ้าไม่เช่นนั้นนั่งนั่งก็นั่งไม่ได้นานนั่งแล้วก็ไม่สงบแล้วถ้านั่งแล้วไม่ได้ผลก็จะเกิดความท้อแท้เบือห่ายได้ พอเราไม่เข้าใจวิธีนั่งที่ถูกต้องว่าเราต้องนั่งด้วยสติถ้าเรายังไม่มีสติเวลาเรามานั่งเรามักจะไม่ค่อยได้ผลอะไรเท่าไหร่งั้นอย่าไปาท้อแท้ถ้าเราไม่ได้ผลก็สแสดงว่าสติเรายังมีน้อยอยู่เราต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้น <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ <c oughs> ก็ให้ฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้พยายามผูก ใจให้อยู่กับพุทโธหรื อ, อยู่กับร่างกายไปทั้งวันตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับซึ่งจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่ง า, นางๆวันที่เราไม่ต้องไปทำงานทาการไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครวันที่เราไปปีกวิเวกไปอยู่ตามวัดตามสถานที่สงบอย่างนั้นนะ่โอกาสที่จะฝึกสติทั้งวันทั้งคืนนี้จะเป็นไปได้ได้ ได้มากแต่ถ้าเรายังต้องมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่นี่เราจะไม่สามารถถูกใจให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายได้ตลอดเวลาเดีย๋ยวพอเราไปเจอคนนั้นคนนี้ใจเราก็ไปคุยกับเขาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเขานะดังนั้นการทํางานนี้เป็นอุปสรรค ต, ต่อการเจริญจิตตภาวนาถ้าอยากเจริญจิตตภาวนานี่ต้องพยายามหาวัน เวลาว่างที่ไม่มีภารกิจการงานเช่นวันที่เราหยุดทำงานนี้เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไปหาที่สงบตามวัดต่างๆแล้วก็ไปฝึกสติเจริญสติไปถือศีลแปดไปฝึกสติแล้วก็นั่งสมาธิสลับกันไปเวลาที่นั่งสมาธิ แล้วจิตไม่สงบก็ออกมาเดินจงกรมเพื่อมาเจริญสติต่อเดินจนกระทั่งรู้สึกเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่พยายามเจริญสติกับนั่งสมาธิไปเรื่อ ย, อยต่อไปความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาตามกําลังของสติที่เราได้เจริญกันถ้ามีสติมากเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายสงบเร็วและสงบได้นาน ถ้ามีสติน้อยก็จะสงบได้ยากบางทีก็ไม่สงบบางทีก็ฟุ้งซ่านถ้านั่งแล้วฟุ้งซ่านก็ถือว่ามันนั้นสติไม่ค่อยดีก็ต้องกลับมาที่สติก่อนกลับมาเจริญสติฝึกสติไปอยู่เรื่อยๆอย่าท้อแท้อย่าเบื่ง่ายคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้เริ่มต้นในการปฏิบัติผู้ที่ยังไม่มีสติมากพอนี้จะ ล้มลุกคุกคานไปก่อนแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ได้ความเพียรพยา ย, ยามได้ศรัทธาซึ่งเป็นธรรมะที่สำคัญในการที่จะผลักดันให้ผู้ปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติไปและก้าวหน้าต่อไปได้คือต้องมีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นเป็นทางที่พาเราไปสู่ความสงบแต่เหตุที่เรายังไม่ได้ ผลก็เพราะว่าเรายังทําได้น้อยยังมีน้อยมีทำที่ที่จะทําให้ใจสงบน้อยก็คือมีสติน้อยดั้นเราก็ต้องมีความเพียรพยายามพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆอย่าท้อแท้เบื่อหน่ายคว่ามันเป็นเหมือนกับการการเรียนรู้กว่าที่เราจะเรียนจบปริญญาได้านี้เราก็ต้องเริ่มต้นจากชั้นอนุบาลก่อนเรียนจากชั้นอนุบาลไปสองสาปีแล้วก็ไปขึ้นชั้นปรถม พอจบปถมแล้วเราก็ขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมสู่ชั้นระดับปริญญาต่อไปของพวกนี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นทางธรรมก็เหมือนกันทางธรรมก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆพอมานั่งปุ๊บจะให้จิตสงบเป็นเข้าฌานได้ทันทีอันนี้ก็อาจจะมีบ้างสำหรับบางคนบางท่านที่มีที่มีบารมีเก่าติดตัวมาชาติก่อนเคยฝึกสติเคยนั่งสมาธิมาแล้ว สามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้บางคนมาเริ่มต้นนั่งสมาธินั่งบริกรรมพุทโธห้านาทีจิตก็รวมเข้าสู่สมาธิได้แต่อันนี้เป็นกรณีพิเศษเราอย่าไปเอาเขามาเป็นตัวอย่างแล้วคิดว่าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้อันนี้มันเป็นเรื่องของของเก่าที่เขาทำมาก่อนแล้วเขาได้ฝึกสติมาหลายภพหลายชาติแล้วเขาได้ฝึกนั่งสมาธิหลายภพหลายชาติแล้ว เขาก็เลยมีความรู้ความสามารถที่จะนั่งสมาธิเจริญสติได้ดีกว่าเราเขาก็เลยเวลานั่งสมาธิเขาก็สามารถเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วแต่สำหรับเราถ้านั่งแล้วมันไม่เข้ามันยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีสติน้อยยังถ้าเรานั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาเจริญสติก่อนนอกจากการ บริกรรมพูดโธแล้วเราก็ยังสามารถใช้การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเครื่องเจริญสติได้<ม>เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราไม่สามารถให้มันอยู่กับลมหายใจหรือให้มันบริกรรมพูดโธได้เราก็ใช้การฟังธรรมะไปก่อนก็ได้<ม>คนบางคนนี้นั่งสมาธิตามลำพังนั่งไม่ได้นาน10นาที15นาทีก็ทนไม่ไหวแต่ให้มานั่งฟังธรรมนี้บางทีนั่งได้ทั้งชั่วโมงเลยไม่รู้สึก ไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดไม่ต้องขยับร่างกายเลยแล้วใจก็เข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งยังไม่ใช่เป็นระดับเต็มเต็มร้อยแต่ก็เป็นระดับที่ระงับความฟุ้งซ่านต่างๆได้ยะงนั้นถ้าเรายังไม่สามารถใช้การสวดมนต์ก็ดีการบริกรรมพุโทโธก็ดีหรือการดูลมหายใจก็ก็ดีในเวลาเง้านั่งสมาธิเราก็ลองมาเปิดฟังธรรมะไปก่อนก็ได้ เวลาฟังธรรมเราก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมฟังไปเรื่อยๆ เ, เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆ เ, เพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจเราติดเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปใจเราก็จะไม่รู้สึกฟุ้งซ่านไม่รู้สึกปวดอัดสามารถนั่งและทนกับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างง่ายดาย อันนี้ก็เป็นหนวิธีหนึ่งสําหรับผู้ที่เริ่มต้นในการฝึกสมาธิถ้ายังนั่งสมาธิด้วยพุโทโธไม่ได้ด้วยการสวดมนต์ไม่ได้หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้ก็ลองฟังเทศฟังธรรมไปก่อนหลังจากฟังธรรมเสร็จแล้วจบแล้วแล้วก็ลองนั่งต่อดูอีกสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งเลิกตอนนั้นจิตเริ่มมีความสงบพอที่จะดูลมหายใจได้แล้วมาดูลมหายใจที่บริเวณปลายจมูก ดอลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก <_ adas> เราต้องการให้ใจนิ่ง <_ hats> ให้ใจอยู่ที่เดียว <_ urar> ไม่ต้องการให้ใจทำงานยานิ้นต้องอยู่ที่เดียวอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ตร ง, ตรงที่ลม ส, ch, <_ H it> สัมผัสเข้าออกลมจะสั้นหรือยาวก็ไม่ต้องไปบังคับควบคุมลมเราใช้ลมเป็นเป็นที่ผูกใจเราไม่ต้องการไปควบคุมบังคับลมลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบ ลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้นลมจะยาวก็รู้ว่ายาวหรือแม้กระทั่งลมหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายไปรู้เฉยๆไม่ต้องไปเตือนเต้นตกใจบางทีบางทีมันอยากจะหยุดพักหายใจสักพักหนึ่งไม่ไม่ตายเวลานั่งภาวนานี้เวลาจิตสงบมากๆนี้มันไม่ต้องการใช้ลมมากบางทีก็จะหยุดพักหรือว่ามีอาการรู้สึกว่าหยุดหายใจแต่ความจริงมันไม่ได้หยุด มันเป็นการสงบตัวของจิตนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลให้รู้เฉยๆไปเวลาไม่มีลมให้ดูก็ดูความว่างไปดูว่าเรากําลังคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดคิดนะอย่าให้ใจคิดให้อยู่กับความว่างแล้วใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาต่อไปเวลาใจนิ่งสงบแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นใจเราจะมีความสุขใจเราจะไม่ดิ้นเหมือนเมื่อก่อนนะใจจะอยู่เฉยๆ ให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่แปลกประหลาดมาสัจรย์ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเป็นความสุขที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวง<ม>ก็คือลถของความสงบที่เกิดจากการฝึกสมาธินี่เองอันนี้คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราฝึกฝนอบลมในการจเจริญสตินั่งสมาธิถือศีลแปด เพื่อหยุดความอยากหยุดความอยากไว้ชั่วคราวขณะที่จิตสงบนี้ความอยากต่างๆที่เคที่มีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดแต่จะหายเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาพอเราปล่อยให้จิตเริ่มคิดเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้หรือได้เริ่นใจสัมผัสกับรูปเสียงกลดิ่นรสมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันที เพราะความอยากนี่มันไม่ได้ตายด้วยกําลังของสมาธิมันเพียงถูกกดกดเอาไว้ไม่ให้ทํางานชั่วคราวพอจิตเริ่มทํางานความอยากมันก็จะทาตามทําตามทันทีพอจิตไปคิดถึงเรื่องนั้นก็อยากจะได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ขึ้นมาทันทีถ้าเราต้องการที่จะตัดความอยากให้หมดไปจากใจเราก็ต้องปฏิบัติทำขั้นต่อไปที่เรียกว่าวิปัสสนาคือการหยุดความอยากด้วยปัญญา การจะหยุดความอยากด้วยปัญญานี้เราต้องเห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์หรืออะไรก็ตามว่ามันนมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ที่จะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปมันก็จะทำให้ใจเราเศร้าทำให้ใจเราทุกข์เพราะมันธรรมชาติของมันเรียกว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังครับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีการหมดไปพอความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือหาอะไรต่างๆตามความอยากนี้มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ในภายหลังถ้าเราเห็นความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าเราก็จะไม่อยากเราก็จะไม่อยาก อยากอยากได้อยากหาความสุขจากสิ่งเหลา น, นั้นเหมือนกับสมมติว่าถ้าเราชอบดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแล้วต่อมาเขามาม า, ม า, ม, ามาประกาศบอกว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ถ้าดื่มไปแล้วจะเกิดโรคมะเร็งตามมานี่พอเรารู้ว่าถ้าดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะต้องเป็นมะเร็งเราก็จะไม่อยากดื่มมต่อไปอั mm hmm. ในใดสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ก็เป็นเหมือนโรคมะเร็งนี้เองไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องทําให้ใจเราทุกข์ เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่เกิดแล้วดับมันเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นของไม่ดีไปเวลามันกลายเป็นของไม่ดีหรือเวลาที่มันดับไปมันก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจยให้กับเราถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ด้วยด้วยการพิจารณาเห็นว่ามันมีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงเราไปพึ่งมันไม่ได้พึ่งมันให้ความสุขกับเราไม่ได้ตลอดเวลา ึงได้เพียงบางเวลาบางเวลาก็าพึ่งไม่ได้เช่นคนที่เราไปฝากความสุขไว้กับเขาเช่นแฟนเราอย่างนี้วันใดวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จากจากการที่เขาเคยเอาอกเอาใจเรารักเราชอบเราถ้ า, า จ, จะเปลี่ยนมันเป็นการเบื่อเราก็ได้ไม่เอาอกเอาใจเราก็ได้หรือเกิดว่าเขาเป็นอะไรตายไปก็ได้อันนี้เราห้ามไม่ได้ของเหล่านี้มันจะเกิดก็ต้องเกิด แต่พอเรามันเกิดความสุขที่เราเคยได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที <Yeah. S 1> พยายามมองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราว <Yeah. S 1> เป็นของที่จะกลายจากสุขกลายเป็นทุกข์ต่อไปถ้าเราเห็นว่า ส, สิ่งที่เราอยากได้นี่นมันจะทำให้เราทุกข์ <Yeah. S 1> เราก็จะไม่อยากได้ีต่อไป <Yeah. S 1> ต่อไปความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจของเราก็จะหายไปหมดเ <Yeah. S 1> พราะ สิ่งที่เราอยากมันเป็นให้มันมันให้แต่ความทุกข์กับเราทั้งนั้นมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตาอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรความอยากที่เคยมีในใจต่อไปมันก็หมดไปความอยากจะเสพการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นร ส, ก, รสก็หมดไปความอยากจะเสพรูปประชานก็หมดไปความอยากจะเสพอารูประชานาาก็หมดไป พอความอยากทั้งสามนี้หมดไปพบชาติที่จะไปเกิดคือการมาพบรูปพบอารูปพบก็จะไม่เกิดถึกต่อไปจิตก็จะไม่ไปเกิดในตายพบถกต่อไปจิตก็จะอยู่ที่พระนิพพานจิตที่ปราศ จ, จากความอยากนี้เรียกว่านิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นสภาพของจิตจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้รับการชำระด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาตามลําดับมาก็จะทําทให้ความอยากต่างๆนี้ ค่อยๆหมดไปแล้วหมดไปในที่สุดเมื่อได้ปฏิบัติถึงทำขั้นสูงสุดแล้วคือขั้นวิปัสสนาภาวนาภาวนาก็สามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพอความอยากหมดไปจากใจใจก็สะอาดบริบสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะาบริบสุทธิ์ไม่มีความอยากก็เป็นใจที่ไม่ไปเกิดติกต่อไปใจที่ไม่ไปเกิดเราก็เรียกว่า น, นิพพานเองเป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุข เพราะตัวที่ทำให้ใจไม่มีความสุขก็คือความอยากพอความอยากถูกกําจัดไปใจก็ความความใจก็เต็มไปด้วยความอิ่มความพอเต็มไปด้วยความความสุขก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากอะไรต่อไปสามารถอยู่ตามลำพังของตนเองไปได้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการหลดพ้นการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลดพ้นจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดปฏิบัติทานศีลภาวนาหลังจากที่เราได้หลุดพ้นแล้วเราก็มีเวลาว่างไม่ต้องกิจนี้เมื่อทำเสร็จแล้วไม่ต้องทำอีกต่อไปเมื่อจิตบอยสุดแล้วไม่ต้องไปคอยรักษาอีกต่อไปมันจะระบอยสุดของมันไปตลอดไม่มีวันขึ้นสิ้นเมื่อเราไม่มีกิจเมื่อเราได้ทำกิจของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปทำกิจให้แก่ผู้อื่นได้ไปทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดา ผู้ที่มีพระคุณกับเราได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ไปสอนพระพุทธมานดาให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันให้พระพุทธบิดาได้เป็นพระอาหารหันต์นีอันนี้ก็เป็นงานขั้นต่อไปเบื้องต้นเราต้องทํางานของเราให้สําเร็จก่อนอคือยังประโยชน์ของตนนะให้ถึงพร้อมก่อนเมื่อประโยชน์ถึงของตนพร้อมแล้วก็ไปยังประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปแต่เขาต้องยินดีรับการช่วยเหลือ ถ้าเขาไม่ยินดีก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ถึงแม้อยากจะช่วยเขาแต่ถ้าเขาไม่ยินดีก็ทำอะไรไม่ได้งั้นการที่เราจะไปสอนธรรมะให้กับใครเราก็ต้องดูว่าเขาสนใจหรือเปล่าเขาอยากจะเรียนรู้หรือเปล่าถ้าก็ไม่สนใจไม่อยากจะเรียนรู้เราก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วนี่แหละคือเรื่องของความไม่ประมาทที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทน า, าให้พร ยะถาวาลิวหาปุราปิลิปุเรนติสากหลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปฏิตางตุมห um ังคิปะเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปันาวาโสยะถามณิโชติ ขราสุยัตถะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรควิณัติตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวาภิวาตนาสีิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโสุขัง ลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกงั้นถ้าอยากจะถามอะไรถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube แล้จะมีเจ้าหน้าที่นำเอามาอ่านให้สำหรับวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุดจากทางเฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติ440ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์319ย o u t u ด e อกเร์57ค l ับ h ฮ u s e 6วิทยุออนไลน์10นาคุด217รวมทั้งหมด 1,049 ท่านค่ะ เดี๋ยนี้มีชาวสิงคโปร์อยากจะถามคําถาม you welcome to ask yeah พระอาจาร uh, ย์สุชาติ i s a privilege to be able to come to Thailand to visit you I'm from originally from Malaysia but now I live in Brisbane Australia okay um, the I've been watching and following your sessions in YouTube and Facebook. Um, the question I have is: How much samadhi do we need to develop before doing vipassana? Is, is it necessary to gain jhana or a p a n a samadhi first? Yes, you need apanna samadhi or jhana, or else you won't have the strength to stop your defilement. Trying to get jhana, uh, I have done breath meditation for seven days straight, but I don't think I have got jhana. But the mind was very calm. But I, I, to me, jhana is very hard to to to achieve. Uh, what's your advice? It's the same for everyone. Jhana yeah. requires a lot of mindfulness or concentration, which you have to develop during the day, from the time you get up to the time you go to sleep. So this is what you have to do. As soon as you open up your eyes, you have to stop your mind from thinking by reciting a mantra or keep watching your body. Don't let your mind go think about anything unless it is something essential or important. Otherwise, you should stop thinking as much as possible. So when you meditate, you it will be easy for your mind to enter into jhana. Mm. So this is what you you need to have first is mindfulness, constant, mm. continuous mindfulness all day. And y o u when you sit, you can enter into apanna samadhi in five or ten minutes. Yeah. You, yeah. I, so even after one week of breath meditation, if I have already more or less uh, achieved, I think upachara samadhi, is it a waste of time to straight go into vipassana? Based on what you are saying. Well, it depends. If you can let go of your attachment to your body, then go ahead and do it. Mm -hmm. The goal is to not to be attached to your body. Mm -hmm. You should not be disturbed or affected by the conditions of the body, mm -hmm. whether it's getting old, getting sick, or dying. Mm -hmm. Your mind should, should be calm and peaceful, as if you are in jhana. Mm -hmm. If you don't have jhana, your mind will be agitated and restless, and o n won't be able to let go of your attachment to your body. Because your d e f i n e m e n t wants your body to be strong, healthy, not to get sick, not to die. So that's the that's that's the that's the the test you have to to to take to see whether you have enough jhana or not mm. to be able to withstand your attachment to your body. Mm. Okay. Thank. thank you, Prachan. Is that all? Yeah. y okay. e a h So if you cannot yet let go of your attachment, then you have to practice more, more, o jhana, more, more mindfulness. We know we know that the body is impermanent, is anicca, that is anatta. We cannot control it, but we cannot manage to stop our attachment. We still want to control the body. We still want it to be strong, healthy, and not sick or dying. And this is the one that causes dukkha, our, de our desire not to get old, not to get sick, and not to die. So, if we want to get rid of our dukkha, we have to stop our de desire not to get old, get sick, and die. Just let the body be. If it's g o i n g to get old, let it get old. If, if it's g o n to get sick, let it get sick. If it's g o i n g to die, let it die. It doesn't mean that you cannot do anything. With the body, if you still can do something for it, do it. If you can take medicine, if you can kill the disease, go ahead and do it. But one, you one day you'll come to the point where you cannot do anything for the body. Then you have to let go. If you don't want to have any dukkha, okay. So concentrate more on on, on mindfulness now. There's a saying that when you start reading, you start with A, B, C. When you practice, you start with mindfulness. Okay. มีใครมีใครอยากจะถามเองไหมถ้ามีก็ยกมือขึ้นอันเดียวเดชมาเอาไมโครมาลั่ไมโครโฟนหน่ยนมการครับ ตอนสวดมนต์มันมันนิ่งนิ่งจะหลับหรือมันแบบไหนครับผมมันนิ่งก็ดีนิ่งแบบมันมันรู้สึกว่ามันนิ่งแบบหลับก็ไม่ดีต้องนิ่งแบบตื่นมันมันมันจะหยุดไปชั่วคู่อครับเออแต่มันก็ก็มีสติรู้สึกตัวถึงาะเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าไม่รู้สึกตัวเหมือนกับหลับก็แสดงว่าหลับหลับในขอบคุณครับผม ถามจากทาง YouTube พระอาร์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิเราควรปล่อยให้ร่างกายหายใจตามปกติแล้วเราตามลมหายใจด้วยพุทธโธถูกต้องไหมครับบางทีกลายเป็นบางทีกลายเป็นเราไปกาหนดให้ร่างกายหายใจเข้าออกเหมือนไปบังคับร่างกายให้หายใจเข้าออกตามที่เรากำหนดค่ะไม่ควรคนดูเฉยๆนะครับไม่จาเป็นต้องใช้พุทธโธกันะให้ดูเฉยๆดูว่ากาลังหายใจเข้ากาลังหายใจออก เราไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างในไม่ต้องตามลมออกมาให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวที่ปลายจมูกคำถามจากทางเฟ e บ o ๊ k ค่ะระหว่างวันผมจเจริญสติโดยใช้พุโทโธแต่ตอนมานั่งสมาธิผมชอบดูลมจะผิดไหมครับหรือผมควรใช้พุโทโธเหมือนระหว่างวันครับได้ทั้งสองอย่างสลับกันได้<ม>อย่างไรที่ทำให้เราสงบก็ใช้อย่างนั้นไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเบื่อความสุขและความทุกข์ทำยังไงถึงจะสบายเฉยๆได้ท้าวรเจ้าคะก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้ถ้าเข้าสมาธิแล้วใจจะสงบนิ่งความเบื่อก็จะหายไปถ้าไม่มีก็จะได้เลิกมีไหม ม, มีก็พระเจ้าสุดโททนะพระราชบิดาของ สัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จมรรคผลขั้นไหนเจ้าคะขั้นบ้ า, าหลานหันหลังเจ็ดวันก่อนจะเสด็จสวนโค้ชก็บรรลุเป็นพนาาระอรหันต์เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นโคช้ชเป็นครูฝึกเป็นคอยผูคย้คอยบอกว่าให้ต้องทำอะไรบ้างถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ด้วยตนเองคำถามจากทางเฟ๊ค่ะ เวลานอนสมาธิจะนิ่งกว่าเวลานั่งสมาธิอยากถามว่านอนสมาธิได้ไหมเจ้าคะจะยิ่งกว่ายัางไงไม่เข้าใจเข้ามายิ่งกว่า จ, กว า, าจะนิ่งกว่าจะนิ่งกว่าได้แต่ระวังจะหลับเท่านั้นไง <c oughs> ถ้าไม่หลับก็ดีเ <c oughs> ช่นบางทีเราเจ็บใข้ได้ป่วยเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็นอนสมาธิไปก็ได้แต่มันมักจะหลับมันจะไม่ได้เข้าสมาธิมันจะเข้ารวังหลับกัน คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการดูลมพองยุบเมื่อดูอาการก็กําหนดรู้ว่าว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะแยกธาตุแยกขันได้แล้วใช่ไหมคะ อ, อ๋อย่างเหรอเวลานั่งสมาธิให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปแยกอะไรให้ดูถ้ายุบหนอพองหนอก็ดูมันยุบดูมันพองไปถ้าดูที่ปลายจมูกก็ดูลมเข้าลมออกไปยังไม่ใช่เวลาที่จะมาแยกจิตแยกกาย อันนี้เราต้องการที่จะฝึกจิตให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดอะไรค่ะจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเวลาเจอทุกข์จะไม่ค่อยมีสติจะลงไปกับอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตเบื่อโลกไม่อยากเกิดสติมีกำลังน้อยต้องหมั่นฝึกสติเรื่อยๆแล้วเวลามีทุกข์สติก็สามารถหยุดมันได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆ คำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะขับรถไปทำสมาธิขับรถไปทำสมาธิดูลงไปได้ไหมครับพระอาจารย์ไม่วควรล่ะคงจะเดือดรอดมากกว่าอ <laughs> ย่ารถชนกันตาย ด, ดูลมให้ดูตอนที่เรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่ได้ขับไม่ได้ทำอะไรเวลาทำอะไรให้มีสติอยู่งานที่เรากำลังทำอยู่ หมดแล้วใช่ไหยังไม่มีค่ะ <Okay. S 2> มีใครอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเริกล้ว อ, อยากเข้ามาถามเพราะว่าไม่สะดวกแล้วเสียงไม่ค่อยมีด้วยต้องอาศัยเสียงไหม่ทุกคนถึงจะพูดได้งั้นเมื่อวานนี้พอเลิกก็เข้ามาถามวันเต็มไปไมหมดเลยตอนตอนที่ยังไม่เลิกให้ถามว่าอยากจะถามนะไม่มีใครถามก็เพราะาอยากจะถามปัญหาเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้คหนอื่นเพะโล แต่ตอนนี้มันไม่เราไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้ต้องขออภัยด้วยนถ้าจะถามวุฒต้องถามต่อ น, นี้ถ้าแล้วเราก็ต้องก็ต้องหยุดหรืวคราวหน้าก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เอาแล้วนะที่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจออารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ